ของพุทธศาส น, นิกชนอันเป็นการตอกย้ำความเป็นชาวพุทธของเราให้มีความแน่นแฟน้นมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการที่จะมีการที่จะเป็นพุทธศาส น, นิกชนสมสมชื่อนั้นยํำเป็นต้องมีคุณธรรมสี่ประการคือหนึ่งต้องมีศรัทธา 2. มีจาคะการเสียสละสมีศีลและสมีปัญญาการที่จะมีคุณธรรมทั้งสประการนี้ได้เราต้องมาวัดกันพราะวัดนี้เป็นเหมือนที่ผลิตหรือเป็นที่สร้างคุณธรรมทั้งสประการนี้ให้เกิดขึ้นมานั่นเองเพราะเมื่อเรามาวัดแล้ว เราก็จะได้บูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้ทาบุญตักบาทถวายสังฆทานเราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลและปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดศรัทธาเกิดจาระาการเสียสละเกิดศีล การไม่เบี่ยนเบียดกันและเกิดปัญญาความฉลาดยังเป็นสิ่งที่น่าน่ากระทาอย่างยิ่งและควรกระทาไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราจะได้รับนั้นก็คือมรดกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนตั้งแต่การได้ไปเกิดสู่ในสุคติ และไปถึงพระนิพพานในที่สุดสิ้นสุดแห่งการเงืยน่หวตายเกิดสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวงเหล่านี้จะเป็นผลเป็นรางวัลสำหรับชาวพุทธที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติในเบื้องต้นเราก็ต้องเสริมสร้างศรัทธา ของเราให้มีแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเพราะเหมือนกับการบอกทางนั่นเองผู้ที่บอกทางถ้าไม่รู้จริงก็ไม่สามารถบอกทางให้ผู้ที่จะเดินทางนั้นเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้และ จะไม่ได้ไม่สร้างความเชื่อให้กับผู้ฟังเพราะเมื่อไม่รู้จริงเห็นจริงจะไม่สามารถพูดได้อย่างมั่ น, นใจและถ้ามีการถามก็จะไม่สามารถตอบคำถามให้ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการจะบอกทางให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางก็จะไม่สามารถเป็นไปได้ เหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่รู้จริงเห็นจริงจะยังไม่รู้จักทางที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรจะไม่รู้จักผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรและจะไม่รู้จักการแก้ปัญหาของผู้ที่เดินทางไปได้แต่ผู้ที่ได้รู้จริงเห็นจริง ได้ปฏิบัติแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านรู้ทางท่านรู้ถึงเหตุรู้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วท่านเคยประสบปัญหาต่างๆเคยหลงทางมาแล้วท่านรู้หมดว่าทางที่ถูกเป็นอย่างไรทางที่ผิดเป็นอย่างไรเวลาที่ท่านแสดง ท่านก็จะแสดงด้วยความมั่นใจและสามารถอธิบายชี้แจงให้เห็นภาพขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและถ้ามีปัญหามีความสงสัยอย่างไรก็สามารถตอบปัญหาแก้ปัญหาของผู้ที่จะปฏิบัติตามได้นี่คือความแตกตา่างระหว่างการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริง กับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงเป็นดังนี้ผู้ฟังจะรู้เองเวลาฟังแล้วจะเกิดความประทับใจหรือไม่จะเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาหรือไม่ก็อยู่ตรงตรงที่ใจของผู้ฟังนั้นเมื่อฟังแล้วถ้าเข้าใจเกิดปัญญาหายสงสยัยก็จะเกิดความเนื่อมใส่ศรัทธาขึ้นมา และเมื่อฟังไปบ่อยๆแล้วนําเอาไปปฏิบัติด้วย mm. ก็จะยิ่งเกิดความศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์จนกระทั่งจะไม่มีความสงสัยหลงเหลืออยู่ในใจเลยว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือไม่คือเป็นผู้สินส้นกิเลสจริงหรือไม่เป็นผู้ที่สามารถสอนตนเอง ให้สิ้นติเลตได้สิ่งนี้จะไม่สงสัยและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อนำมาซึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปจนถึงพระนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่สงสัยเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วผลต่างๆเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นในจิตในใจเราเราไม่ต้องรอเวลาที่ตายไปแล้วถึงจะไปสวรรค์ถึงจะไปนิพพานเพราะสวรรค์กับนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ตามสถานที่ต่างๆแต่อยู่ในใจของพวกเราทั้งหมดเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ เนื่องจากใจของเรานั้นมีอุปสรรคมีกำแพงขวางกั้นไม่ให้เราได้เข้าไปพบให้ได้เข้าไปเห็นนั่นเองเราจรึงไม่รู้ว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่เพราะเราไม่ได้ทำลายกำแพงที่ฝังกั้นสิ่งเหล่านี้ไว้นั่นเองกำแพงที่ขวางกั้นสิ่งเหล่านี้ไว้ก็คือกิเลสตัณหาต่างๆ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายมองเห็นได้แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะขวางกั้นเราไปได้ตลอดกำแพงนี้เราสามารถทำลายามันได้เราสามารถเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเห็นได้ ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างด้วยความศรัทธาอย่างแก่กล้าในเบื้องต้นเราต้องยอมรับว่าเรานั้นเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนคนตาดีคนตาบอดจะเห็นเหมือนกับคนตาดีเห็นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้คนตาบอดจะเดินทางไปไหน ต้องอาศัยคนตาดีนำทางไปพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเรายังเป็นคนตาบอดในทางสติปัญญาคือเรายังไม่มีตาในไม่มีธรรมาจักขุคือดวงตาแห่งธรรมที่จะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ เราก็จะไม่มีทางที่จะมีโอกาสที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้และจะไม่มีทางที่จะได้รับสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับได้ดังนั้นในเบื้องต้นนี้ไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องเชื่อก่อนแต่การเชื่อนี้ไม่ได้ให้เชื่อเฉยๆ เพราะถ้าเชื่อเฉยๆแล้วไม่นำเอาไปพิสูจน์ก็จะเป็นการเชื่อแบบงมงายการเชื่อนี้จะต้องเชื่อด้วยด้วยการนำเอาไปพิสูจน์อีกทีหนึง่งว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นจริงอย่างที่ทรงสอนหรือไม่เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสว่างขาโตคือเป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ เป็นสันทิโกสันทิโกก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้พิสูจน์ได้กับตนเองว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือมรรคผล น, ผนิพพานมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติทุกคนที่จะสามารถพิสูจน์ได้ เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสันติโกนั่นเองและก็เป็นอาการลิโกคือไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินการทองจะรวยหรือจะจนไม่สำคัญเพราะว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเท่านั้นที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิต ป, ปฏิปันโนนี่คือเครื่องที่จะพิสูจน์ให้เราสามารถรู้เห็นได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังนั้นเราต้องมีการปฏิบัติกัน เราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติตามสิทธิที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเบื้องต้นทรงสอนให้เรามีศรัทธาในพระธรรมคําสอนในพระพุทธเจ้าในพระอาริยสงฆ์สาวกเราก็เชื่อท่านสอนให้เราทําอะไรเราก็ทําสอนให้ทําบุญให้ทานเราก็ทําสอนให้รักษาศีลเราก็ทําสอนให้นั่งสมาธิเราก็ทํา สอนให้ปรองอนิจังทุกขังอนัตตาเราก็ทำขอให้ทำไปเถิดไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปลังเลเพราะจะเสียเวลาไปปปล่าๆเพราะพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านรับรองว่าถ้าปฏิบัติตามได้แล้วจะได้เห็นและจะได้รับสิ่งที่ทรงได้เห็นได้รับอย่างแน่นอน นี่คือการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเราต้องเข้าหาผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วก็ตั้งใจฟังเวลาฟังก็อย่าฟังสักด์แต่ว่าฟังกายอยู่กับการฟังแต่ใจไม่ทราบอยู่ที่ไหนไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้การฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลเพราะเป็นเหมือนกับการรองรับน้ำที่ เขาเทใส่ให้ใส่ในภาชนะให้กับเราแต่ภาชนะที่เราเอาไปรองรับนั้นถูกคว่มไว้ไม่ได้หงายขึ้นเทน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถรองรับน้ำได้แม้แต่หยดเดียวใจก็เช่นเดียวกันถ้าจะฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดผลจริงๆแล้วต้องฟังด้วยการมีสติจดจอ่อ <c oughs> ตั้งใจฟัง <c oughs> ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนอกจากคิดตามเหตุผลที่กำลังแสดงอยู่เท่านั้นถ้าเราคิดตามเหตุตามผลแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะรู้เราก็จะไม่หลงทางเราจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างไรและผลที่จะได้รับนั้นเป็นอย่างไร แล้วเมื่อเราเอาไปพิสูจน์ดูเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนตามที่ได้แสดงไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจรับฟังเทศและไม่ได้พิจารณาเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้านั่งไปแล้วใจเราลอยคิดไปถึงเรื่องต่างๆคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเรื่องที่ทำงานคิดถึงเอกการณ์ต่างๆถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ตอให้ฟังกี่ครั้งก็ตามก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างไรเลยแต่ถ้าเราตั้งใจฟังถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถคิดตามได้พิจารณาตามได้แต่ถ้าเราตั้งใจฟังไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างน้อยผลที่เราจะได้ก็คือความสงบเย็นใจนี่เป็นหนึ่งในวนิสง์ที่เกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรม ด้วยการมีสติฟังแล้วจะเกิดความสงบขึ้นมาถ้าฟังแล้วเราพิจารณาตามได้ก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นแล้วก็ขจัดความลังเลสงสัยได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพยายามทํากันอยู่เรื่อยๆเพราะการที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าไปถึงนั้น ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นระยะเรื่อยๆดังที่ทรงได้มัญญัดไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้มีวันพระกันวันพระนี้ท่านก็พูดไว้ว่าเป็นวันธรรมมัตสวานณะเป็นวันฟังธรรมเป็นการเป็นวันที่เรามาเติมแสงสว่างแห่งธรรมเพราะตลอดระยะเวลาหวันเจวันที่ผ่านมานั้น <c oughs> ใจของเราจะถูก กำแพงของความ <c oughs> หลงของความโลภของความโกรธมาบดบังแสงสว่างแห่งธรรมทำให้เราไม่สามารถมองเห็นทางได้อย่างชัดเจนเราจึงต้องมาฟังเทศคงธรรมเพื่อไล่หรือเพื่อขยับกำแพงแห่งความโลภความโกรธความหลงนี้ให้เลื่อนออกไปบ้างเพื่อแสงสว่าง แห่งธรรมจะได้เข้ามานำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่ดีที่งามได้การปฏิบัติและการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งฟังอย่างเดียวก็ไม่ไ ม, ไม่พอฟังแล้วต้องนำอาอกไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติก็เหมือนกับรู้ทางแล้วแต่ไม่ออกเดินทางยังอยู่ที่บ้านอยู่ เช่นวันนี้เราอยากจะมาวัดเราถามทางคนที่เขาเคยมาวัดว่าอยู่ตรงไหนไปอย่างไรเมื่อเราถามเขาแล้วแต่เราไม่ออกเดินทางเรายังอยู่ที่บ้านยังนอนหลับอยู่เราก็จะมาไม่ถึงวัดเมื่อเรารู้ทางแล้วเราก็ต้องออกเดินทางเมื่อออกเดินทางแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทาง อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าสงสอนให้เราทําอะไรเราก็ต้องทําตามสมสอนให้ใ ห, ให้ให้ถวายทานให้ทําบุญให้มีจาระคือให้มีการเสียสละให้สละประโยชน์สุขของตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น เช่นวันนี้เราก็มาเสียสละประโยชน์สุขของเราคือข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่เราก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเอามาถวายพระภิกษุสมมามเณรท่านมีเหลือเราก็เอามาแบ่งกันรับประทานกันอย่างนี้เรียกว่าจาคะหรือทานคือการให้เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆ แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำเท่ากันเหมือนกันเพราะฐานะการเงินการทองของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันขอให้เราทําตามที่เรามีทําตามมีตามเกิดถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวลจะต้องไปหาเงินมาทำบุญทําทานเพราะไม่ได้เป็นเป้าหมายของการทาบุญทาทาน การทำบุญทำทานนี้เป็นการปลดเปลื้องเงินทองเข้าของที่เรามีเกินความจำเป็นไม่ให้เรายึดติดเพราะจะเป็นสิ่งที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจของเราไม่ให้ได้เจริญก้าวหน้านั่นเองถ้าเป็นเรือก็เหมือนกับถูกทอดสมอไว้อยู่เรือจะออกเดินทางไปได้จะต้องถอนสมอออกก่อน ไม่ฉะนั้นเรือก็จะไม่วิ่งไปได้ฉันใดจิตใจของเราที่จะมุ่งสู่สุขคติจะมุ่งสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องถอนสมอเรือก่อนจะต้องคลายความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ใจยังยึดติดอยู่ถ้าตราบใดยังมีความยึดติดอยู่ในสิ่งต่างๆเรินต้นตั้งแต่ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆและชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละเราต้องให้เราต้องตัดให้ได้ถ้าเราต้องการสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับมาขอให้เราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติ สละครอบครัวสละลูกสละภรรยาสละความสุขต่างๆที่พร ะ, พระเจ้าแผ่นดินมีอยู่ไปหมดแล้วก็ออกไปอยู่อย่างขอทานแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เจริญสมาธิและปัญญาเพื่อให้ เกิดแสงสว่างแห่งธรรมที่จะทำลายกำแพงของความมืดบอดแห่งความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วก็ได้กลายเป็นพระอรหันตดสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุถึงพระนิพพานไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราอีกต่อไปพวกเราในตราบใด ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจพวกเราก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่เมื่อไปเกิดใหม่ก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพรากจากกันและต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อกรรมต่างๆบาปต่างๆที่เราทำไว้ที่ยังไม่ได้แสดงผลยังมีโอกาสที่จะตามไปให้ผลกับเราได้ แต่ถ้าเราไม่ไปเกิดเด็กแล้วเวรกรรมต่างๆที่เราทำไว้แม้จะแสนสาหัสขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถตามไปให้ผลกับเราได้อีกต่อไปนี่คือความวิเศษของพระธรรมคาสอนความวิเศษของพระพุทธเจ้าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่ากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพวกเราดังนั้นพวกเราจมควรที่จะขวนขวายพยายามปฏิบัติตามให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าเสียเวลากับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาความสุขทางโลก มากจนเกินไปหาเท่าที่จำเป็นคือหาเพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราชีวิตของเราให้อยู่ต่อไปได้เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตของเรานี้มาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ชาชีวิตของเราหรือร่างกายของเรานี้เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันเราต้องอาศัยร่างกายนี้เราจ้องต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยทองนี่เป็นเรื่องปกติแม้แต่พระสมองค์เจ้าที่มุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นท่านก็ต้องทํามาหากินเหมือนกัน เพียงแต่การทำมาหากิจของท่านต่างจากพวกเราท่านเพียงแต่ออกบิณฑบาตท่านก็พอได้รับอาหารมาพอประทังชีพส่วนที่อยู่อาศัยท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้างอยู่ตามถ้ำบ้างเสื้อผ้าคือเครื่องนุ่หงห่มจีวรก็หาตามมีตามเกิด ในสมัยพุทธกาลก็ในเบื้องต้นก็ต้องหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะทิ้งไว้ในป่าชาเอามารวบรว ม, รวมพอได้จํานวนพอที่จะมาตัดเย็บจีวรได้ก็ตัดเย็บเป็นจีวรไปท่านไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้มากจนเกินไปพอให้พออยู่พอกินได้ก็อพอจะได้ไม่เสียเวลามาก เวลาของเรามีน้อยลงไปทุกวันทุกวันและเวลาของเรานี้มีค่ามากมากกว่าที่จะไปเสียให้กับการหาความสุขทางโลกหรือหาหาปัจจัยสี่แบบปราณีตพิสดารอย่าไปเสียเวลากับการหาสิ่งเหล่านั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เ, เพราะสิ่งเหล่านั้นจะไม่ช่วยให้จิตใจของเรานั้นจเจริญพัฒนาสูงขึ้นได้ ไม่ช่วยให้จิตใจของเราพ้นทุกข์ได้ไม่ช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่การปฏิบัติจาคะศีลและปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี้ต่างหากที่จะช่วยเราได้ที่จะทําให้เราเหนืออยู่เหนือความทุกข์ไปได้ตลอดอนันตการ ยังอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อมาทําบุญทําทานก็ไม่ควรหาเงินหาทองมาเพื่อดูแลอัตภาพร่างกายแต่ถ้าได้มากกว่านี้เหลือถึงค่อยเอาไปทาบุญให้ทานแต่อย่าเสียเวลาไปทํงานหากินเพื่อหาเงินมาทำบุญให้ทานมันจะเป็นการเดินถอยหลังหรือเดินวนอยู่ในวงกลมไปไม่ถึงไหน เพราะว่าฐานนั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นได้ทานเป็นเพียงการถอนสมอเรือเท่านั้นช่วยถอนสมอเรือช่วยถอนความยึดติดของจิตใจในสิ่งต่างๆเพื่อจะได้สละสมบัติออกบวชได้เช่ น, นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติถึงจะออกบวชได้ ถ้ายังไม่สละราชสมบัติก็ไม่สามารถที่จะออกบวชได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติคุณธรรมทั้งสี่ประการขอให้พวกเราจงพยายามเข้าวัดกันอย่างที่ท่านกระทำกันในวันนี้และจะทำกันต่อๆไปเรื่อยๆเพื่อจะเสริมให้ศรัทธาให้จาระให้สิงและให้ปัญญานั้นจเจริญ เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วอั น, นิสงส์คือผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าสงได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันอย่างแน่นอนอย่างต่ำก็ได้สุขคติคือได้กลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกได้เป็นเทพเป็นพรหมอีกและอย่างสูงก็ได้ถึงพระนิพพาน ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญศรัทธาจาคกะศีลและปัญญาให้ท่านได้นาเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป